สาสิบห้าขันมีแต่ทุกข์ล้นล้วนการภาวนาเหมือนการดูเหรียญมีสองด้านถ้าพูดในแง่ของขันแล้วมีแต่ทุกข์ล้นล้วนในโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแต่ถ้าพูดในแง่ของจิตของผู้ภาวนาที่จิตพรากออกจากขันจะห่างทุกข์ออกไปเรื่อยๆมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเรียนธรรมะไปจนไม่มีตัวตน ยิ่งภาวนาไปยิ่งมีความสุขสุดท้ายจิตพรากออกจากขันเด็ดขาดก็จะพบความสุขอย่างยิ่งคือนิพพาน